เพื่อนผอนเพื่อทุกคนนะตั้งใจฟังธรรม ะ, ะการฟังธรรมนะก็คือฟังเพื่อเราเอาไป ป, ปฏิบัติธรรมนะ <c oughs> ธรรมะคือเป็นสิ่งที่หรือว่ามันเป็นความจริงนะคนหนึ่ง <c oughs> ธรรมะคือ ขอแนะนำในการเอาไปปฏิบัตินะส่วนหนึ่งนะว่าเราควรจะมีหน้าที่ของเราอย่างไรบ้างนะที่จริงก็ธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนั่ยแหละนะเราที่แสดงความจริงให้เราเห็นนะเหมือนอย่างที่พวกเราได้ทำกิจกรรมเมื่อวานนะนะการที่เราจะต้องพัดพ้าสูญเสียนะ จากคนรักจากของรักเนะี่ยหรือต้องไปจบกับสิ่งที่เนี่ยแหละไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจนะไม่ได้ปรารถนานะไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอกันอยู่ลนะซึ่งเราเองเราจะมีเรามีความพร้อมที่จะรับมือกับเขาได้หรือเปล่าอันเนีน้มันเป็นสิ่งที่ ถ้าเราไม่เคยฝึกขัดมันก็ยากที่จะพร้อมนแต่เราได้ฝึกขัดไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะพร้อมนเมื่อเกิดถึงไพ่ขึ้นมาเราก็รับมือได้นมันอย่างปลาสิตไทยเขาบอกว่ายามสงบนะเราฝึกยามศึกเรารบทะแต่ถ้าทหารนะเขาไม่ฝึกซ้อมเนี่ยเวลาไปรบเลยเนี่ยก็ตายนะไม่มีกาลัง ไม่มีความพร้อมในการใช้อาวุธนะต่างๆนักกีฬาก็เหมือนกันนะถ้าไม่ขยันซ้อมนะไปแข่งอย่างเดียวเนะี่ยก็อาจจะมีฝีมือนะแต่ไม่มีกำลังนะก็โอกาสแพ้ก็สูงนะพวกเราเองก็เหมือนกันนะบางคนยิ่งไม่เคยศึกษาธรรมะเลยนะไม่ค่อยได้เคยฟังทมอะไรเลยนะบางที พอไปเจอปัญหามันก็มันก็เป็นทุกข์ได้ง่ายแม้คนได้ฟังธรรมบ่อยๆหรืออ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆแต่ถ้าไม่เคยได้ปฏิบัติธรรมเลยนะบางทีก็ก็ทำใจยากเหมือนกันนะการฟังธรรมเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามีความเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติต่อเนะี่ยมันถึงจะเกิดผลนะ การปฏิบัติจริงๆนะปฏิบัติธรรมที่จริงก็เริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่สุดเลยนะนะคือให้มีความเสียสละเนะีเสียสละนี่มันเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมเลยเพราะจะว่าไปจริงๆนะปฏิบัติธรรมถ้าจะว่าโดยย่อนะคือการรักความเห็นแก่ตัวรัก <c oughs> ความเห็นแก่ตัวนี่คือว่าโดยย่อเลยกิเลสทั้งหลายเนี่ย รวมลงที่คำว่าเห็นแก่ตัวก็ได้นมันมีตัวมันมีตัวเรามันมีพอมันมีตัวเรามันก็จะมีของของเรานีพอมันมีตัวเรามีของของเรามันก็อยากจะเอาอะไรให้มันเอาเยอะๆเนาะเหมือนคนความโลภก็เกิดเพราะความเห็นแก่ตัวนะโลภก็อยากจะเอาก็มาเยอะๆทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิยศ อะไรต่างๆถ้าเป็นนามธรรมก็อยากจะเอานะเอาความสุขเอาความสบายเอาความดีใส่ตัวอะไรเงี้ยนะอ่คือมันดีมันก็มีนะแต่ผมว่าถ้าคําว่าเอาบางทีมันเอาแบบไม่ค่อยชอบทำนะเพราะมันเห็นแก่ตัวบางทีมันก็มันก็ได้โลภใช่ไหมเพอเห็นแก่ตัวมันก็เลยโกรธ มันว่ากูมันดากูมันทําร้ายกูมันโกงกูอะเพราะมันมีตัวมันก็เลยโกรธนะแต่ถ้าอ่าเขาไม่แต่ถ้าเราไม่มีตัวมันก็ไม่โกรธนะอ่ามันก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์นะมันมีแต่อาการที่มันทุกข์เฉยๆอ่ความหลงก็เพราะว่ามันมีตัวมันมีตัวเนี่แหละนะมันเห็นแก่ตัว กิเลสทั้งหลายนะถ้าจะว่าย่อก็เนะี่ยคือความเห็นแก่ตัวทำไงเราถึงจะรักความเห็นแก่ตัวได้นะเรื่องต้นก็ต้องฝึกนี่แหละนะความเสียสละทนะานจริงๆแปลว่าความเสียสละความสละออกไปทนะานไม่ใช่เพียงว่าเราใส่บาตรเราถวายสังฆทานนะทานจริงๆก็คือสละนะสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนี่แหละนะ เราสระข้าของนี่ไม่ใช่อันนั้นเป็นเพียงแค่ข้างนอกนะทานจริงๆคือสระความตัหนีที่เหนียวสระความตันหนีที่เหนียวออกไปจากจิตใจนั่นแหละนะจะสระความตัหนีที่เหนียวได้ก็คืออะไรอะไรที่เรายึดนั่นแหละเราสระมันออกไปนะหรือเราก็อยา่าไปสะสมมันมากเกินไปเนะี่ยถ้าคนที่ตัหนีเราก็รู้เนาะมีของมาก แต่ไม่เคยให้คนอื่นเลยนะยเก็บไว้จนทั่งมันเน่ามันเสียออไม่อยากให้ใครเลยนะอันนี้คือความตนหนีมันเป็นแบบนั้นทานก็ไม่ใช่เพียงแค่วัตถุสิ่งของนะให้เรารู้จักนะทำงานช่วยกันนะรู้จักเสษตะระแบ่งปันกันนะอันนี้ก็คือทานนะอันยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่าใครนะยสมมติ เรามาเรามาเราดูเวลาแล้วเราจะต้องทําวัดเช้านะถ้าเรามานะเราก็คิดเออเราจะทําทานเราจะเสียผละเราจะมาให้ถึงเร็วนิดนึงมาปูที่นั่งอนะให้กับเพื่อนๆนมาปูมาเตรียมหนังสือทําวัดให้กับเพื่อนๆอนอันนี้ก็คือทานนะนะคือเราเสียผละเราฝึกความเสียผละนะเอ่านะ เวลาเห็นเพื่อนเขาปูเออเราก็ไม่ไม่ยืดูไม่นั่งดูนะก็ช่วยกันปูอยเนนะี่ยนี่คือการที่เราฝึกความเสียงละดันะหรือทำเกตก็ได้นะถ้าคนเห็นแก่ตัวถ้ามีงานส่วนรวมเนี่ยนะมันอยากจะเรี่งรยงไปไม่ค่อยอยากจะทำํำนะคิดว่าเราฉลาดนะเราเลี่ยงเราหลบนะเราทําน้อยกว่าเพื่อนนะคนที่ทํำมากนี่คนโง่เนย อันนี้เพราะความเห็นผิดนะเลยคิดอย่างนั้นเยิ่งพอรามีงานส่วนรวม ง, งานทีเ่เป็นงานเสียกระดะนะคนที่มีปัญญาจริงๆเนะี่ยเขาจะตั้งใจทำไม่เห็นแก่ตัวนะจะทำด้วยความพอใจนะคนอื่นไม่ทำไม่เป็นไรเราทำนะเราทำเพราะอะไรเราฝึก ความเสียสละในตัวของเราเองนะเรามีความพอใจที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีนะนะทำให้คนอื่นมีความสุขนะส่วนคนโง่นะก็จะมองพยายามจะหลบจะเลี่ยงจะหลีกทำให้น้อยที่สุดนะเพราะคิดว่าเออให้คนอื่นเขาเหนื่อยไปเราไม่ต้องเหนื่อยให้คนอื่นเขาออกแรงไปเราไม่ต้องออกแรงเราไปสนุกสนานไปทำอย่างอื่นดีกว่า ไอ้นี้ยมันต่างกันนะมันต่างกันเราสังเกตก็ได้นะคนที่ที่เรายอมรับก็เขาเป็นคนดีคือไงเราเห็นเนาะเขามีความเสียตละเขามีความเสียตละเนความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวมเนี่ยนี่คือทานน ะ, นะในหลายอย่างคือความเสียตละอะไรที่มันเป็นความตนหนีทีเนียวเราก็สละออกไป อะไรที่เป็นความเห็นแก่ตัวเราก็สระออกไปอะไรที่มันเป็นความทุกข์เราก็สระออกไปนะเช่นมันโกรธเนี่ยมันเป็นทุกข์ใช่ไหม <c ười> ความเกลียดความพยาบาทมันก็เป็นทุกข์เราก็ให้อภัยทานไปนะเนี่ยคือเสียสละนะทานไม่ใช่เล็ก ๆ, ๆน้อยๆนะจริงๆมันกว้างใหญ่ไปศาลมากแม้่รทั่งสระตัวตนนะ พอไม่มีตัวตนนะมันก็เลยไม่มีความเห็นแก่ตัวฮมันไม่มีตัวนะมันไม่ยึดตัวนมันก็เลยไม่เอาอะไรเข้าตัวมันมีแต่ทําแบบทําแบบทําแล้วจบนะทําช่วยคนอื่นก็ไม่ต้องคิดว่าคนอื่นเขาจะขอบคุณเราหรือเปล่าเขาจะเขาจะช่วยเราตอบหรือเปล่าไม่ใช่แบบไม่ใช่ทําแบบลงทุนแบบ ทำไปแล้วต้องได้กำไรกลับมานะถ้าคนที่มีปัญญาจริงไม่ได้ทำแบบนั้นนะทำแบบไม่หวังผลนะทาแบบไม่หวังผลนะเราปลูกต้นไม้ก็ไม่ต้องไไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหรม่มนจะได้ผลนะถ้าเราทำเหตุถูกนะผลมันเกิดขึ้มันเองนะเราทำทานเราช่วยเหลือใครเราก็ไม่ต้องหวังผลตอบแทนว่าเขาจะขอบคุณเราไม่เขาจะตอบแทนเราหรือเปล่า เพราะถ้าเราทำแบบนั้นนะมันทำด้วยใจที่มันใจที่มันไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่เขาไม่ขอบคุณเราเราก็โกรธเขาไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็ทุกข์เราก็ไม่ชอบเขาแต่ถ้าเราทานะามีความสุขในการทำ เ, เขาทาเขาดีเราก็อนุโมทนากับเขาเขายังไม่ดี เราก็ยังมีความกรุณาเขายังมีอุเบกขาอ่ะยงวันนี้ยังไม่ดีไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้เอาใหม่นะนะตั้งใจใหม่นะอืนี่คือทานนะความเสียสละโนะยให้มีความเสียสละกันนะนะอยู่ในสังคมถ้าไม่มีความเสียสละเนี่ยโอ้หุ่นวายกันมากนะหุ่นวายกันมากคนอื่นเขายังไม่เสียสละเรื่องของเขานะแต่ให้เราฝึก ความเสียสละนะเสียสะให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เนาะให้มีศีล น, นะก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญนะศีลก็พูดอย่างเมื่อวานะนะแต่จริงศีลความหมายจริงแปลว่าสิลาสิลาแปลว่าแปลว่าหินนะแปลว่าแปลว่าหินที่มันมั่นคงนะหนักแน่นนะภูเขาสิลาแท่งทึบนะ ไม่สะเทือนเพราะลมชันใดนะจิตที่มีศีลจิตที่ฝึกดีแล้วก็ไม่สะเทือนเพราะตินทาสนเสริญชั้นนั้นเนียคนที่มีศีลเนี่ยจะไม่หวันไหวเนีแต่บางทีเราก็วันไหวง่ายๆนะใช่ไหมเขาว่าเราเนะ่ก็โกรธก็ไปด่าก็ไปทําร้ายเขาเลยเนี่ยวันไหวง่ายนะเอนะนะี่ยนะเขาก็แค่ว่าเอีแต่จริง เขายัางไม่ได้ทำร้ายต่อเลยนะเราก็โกรธเขาแล้วอนะไรแบบอืมแต่ถ้าคนที่มีศีล น, นะไม่หวั่นไหวเนะี่ยแล้วก็ไม่เอาตัวตนเข้าไปรับด้วยนะมีตัวอย่างหนึ่งนะมีหลวงพ่อรูปหนึ่งนะบานทะีรู้สึกจะเรียกท่านว่าหลวงตาประสิทธิ์หลนะวงตาประสิทธิ์วัดติำเนี่ยปิดนะจังหวัดชนบุรีนะ ถ้าเป็นหลวงตาที่ก็บวชตอนอายุเยอะนะเคยมีครอบครัวนะนะเคยเคยหลงผิดตอนตอนเป็นคารวะนะเคยเคยติดคุกอนะไรี้นะพอออกจากคุกนะท่านก็มาบวชนะบวชแล้วท่านก็ปฏิบัติ ด, ดีมากนะปฏิบัติทำดีมากมีคนคือท่านกา็วางความทุกข์ได้นะแล้วก็มีทุกขิถี่กขหายเยอะแยะมากมาย แต่จริงแม้พระที่ปฏิบัติดีก็ตามนะไม่ใช่ว่าในวัดหรือในชุมชนจะไม่มีปัญหานะวัดที่ท่านไปตั้งนะที่ถํำใหญ่ปิดก็มีโยมบางคนก็ไม่ชอบท่านนะอยากจะได้ท่านออกไปจากวัดนะอยากจะพุทที่ดินวัดเลยประมาณนี้นก็มีเวลาท่านไปบินตบาสนะโยมเขาก็บางคนก็รอใส่บาตร บางคนก็รอด่าพระก็มีนะอืมท่านไปบิณฑบาตนะบางคนไม่ชอบท่านนะั้นอมาชี้หน้าด่าท่านนะวเวลาออกไปบิณฑบาตนะออจะเป็นแบบเนี้ยประจําเลยอพอท่านกลับมานะมันก็ชี้หน้าด่าเหมือนกันถ้าเป็นเรายัางไงโอไม่ได้จะทำอะไรมันเลยนะมันมาด่านะมาด่าไม่ชอบมาไล่นะ ก็เป็นแบบเนี้ยหลายวันก็มีอยู่วันหนึ่งนะเขาก็ด่าท่านแบบเนี้ยตั้งแต่ตอนเช้านะพอท่านกลับไปจับวินทบาทท่นเ ข, เขาก็มารอด่าอีกแล้ะทํายังไงหลวงพ่อประสิทนะหลวงตาประสิทท่านก็เดินเข้าไปหาคนที่ดา่านยู่แล้เดินเข้าไปนะถ้าเป็นคนทั่วไปแล้วก็คงไปเอาเรื่องกันเนาะไปมีเรื่องกันนะหลวงพ่อท่านก็ พี่จีบวกนี้ท่านก็เป็นนักเลงเหมือนกันนะะท่านก็เดินเข้าไปน่ะเดินเข้าไปไม่กลัวเดินเข้าไปแล้วก็ไปจับแขนไอ้คนที่กระดังด่าจับแขนจับแขนเขาแล้วก็ถามว่ามึงด่าใครมึงด่าใครพูดแบบลุกทุ่งกันนะไ อ, ะอะ้คนที่กระดังด่าก็บอกว่าก็ด่ามึงนั่นแหละดวง ต, ตาท่านก็ตอบว่าเออ ดีแล้วด่ามึงนดีแล้วอย่ามาด่ากูแล้วกันเข้าใจไหมคือเขาด่านะเขาด่าท่านนะแล้วก็าถามมึงด่าใครก็ด่ามึงนั่นแหละดีแล้วนะด่ามึงดีแล้วอย่ามาด่ากูแล้วกันคือท่านไม่คิดท่านไม่ยึดว่าไอ้คดาด่าเนี่ยมันด่ากูมันดา่นดาเรานะเพราะว่าด่ามึงก็ด่าคนอื่นไป ไม่ใช่ยึดว่าเขาด่าเรานะท่านก็ไม่เป็นทุกข์อันเนี้ยเพราะว่าท่านไม่มีตัวตนที่จะไปยึดนะก็มีร่างกายนะนะมีรูปมีร่างกายแต่ไม่ไปยึดเอาคำด่ามาเป็นตัวเราเป็นขอบของเรามาเป็นความทุกข์ใจเนะี่ยคนที่มีไม่มีตัวตนไม่เห็นแก่ตัวคนที่มีศีลก็มั่นคงนะ ไม่หวั่นไหวนะคำด่าก็เหมือนกับลมมันพัดนะมันไปเทือนภูเขาที่ไหนนะแล้วก็พัดไปนะแต่ภูเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคนที่มีสินนะจะมั่นคงนะเพื่อนชวนไปกินเหล้าโอ้ยไม่ต้องไปกินกับมันนะเพื่อนชวนไปฆ่าไปตีใครก็ไม่ไปกับมันแบบนี้นนะมีโอกาสจะผิดศินมีโอกาสจะผิดลูปผิดเมียผิดผัวเขานะ ก็ไม่ทําเพราะมีศีลไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ก็ตัวเราเนี่ยแหละมันหลอกตัวเองไม่ได้หลอกเนี่ยคนทําผิดนะแต่ถามว่าไม่มีใครรู้ไม่มีนะถ้าบอกว่าไม่มีใครรู้เนี่ยก็คือไม่มองตัวเองว่าเป็นคน่ะคนหนึ่งคนอื่นไม่เห็นแต่ถ้าเรามองว่าไม่มีใครเห็นเนี่ยแปลว่าเราเองก็ไม่มองตัวเองเป็นคนเป็นมนุษย์นะหลอก ตัวเองได้ถ้าหลอกตัวเองได้นะก็หลอกคนอื่นได้ทั้งหมดนั่นแหละนั้นศีล น, นะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะไม่ใช่ว่าเรารับศีลคือเรามีศีลแต่เรารับศีลเพื่อเอาไปประพฤติต่อนะวเวลาเจออะไรเหตุการณ์ที่ไม่พอใจมันมีความโกรธขึ้นมาเราก็จะไม่มีผิดศีลมีความโลภขึ้นมาเราก็จะไม่ผิดศีล มีความหลงขึ้นมาเราก็จะไม่ผิดศีลอันเนี้ยถึงจะเรียกว่ามีศีล น, นะนะอันเนี้ยมันไม่ใช่เล็กเ ก, เกน้อยน้นอยนะนะแล้วที่จริงการที่เราจะมีความเสียละได้เราจะมีศินได้มันสำคัญจริงๆนะัคือทิ่ใจพระเจ้าท่านบอกว่าทำท้งหลาย มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วที่ใจนะคือถ้าใจเราไม่ฝึกใจเราไม่เข้มแข็งเนี่ยมันยากมากที่จะมีสินมันยากมากที่จะไม่เห็นแก่ตัวมันยากมากที่กิเลสจะมันจะครอบงาไม่ได้นะงนั้นบวัวจริงๆคือการฝึกใจ ทำทั้งหลายนะก็คือเพื่อเราฝึกใจนะฝึกใจให้มันเข้มแข็งฝึกใจให้มั่นคงฝึกใจให้มีปัญญานะนั้นการทำทานก็ดีการรักษาถินก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีนะนะรวมๆแล้วก็คือเพื่อฝึกใจของเรานี่แหละนะให้มันมีที่พึ่งให้มันมีที่อาศัยนะ ถ้าเราฝึกใจดีแล้วนะก็เหมือนเราคล้ายๆเหมือนกับเราเลี้ยงลูกดีแหละถ้าเราเลี้ยงลูกดีลูกก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้ตอนที่เราแก่เท่าตอนที่เราไม่สบายนะแต่เราฝึกเขาไม่ดีนะก็ยากที่จะพึ่งเขาเนาะใช่ไห ม, มเราฝึกวัวฝึกควายนะถ้าเราฝึกดีเราก็ใช้งานใช้ไถนาใช้ทานั่นทานี่ได้ เราฝึกไม่ดีก็เลี้ยงเสียข้าเปล่าไปเฉยๆนะใจเราเองก็เหมือนกันนะเราฝึกใจของเราเองนี่แหละนะคือสิ่งที่ประเสริฐสุดนะนัพยายามฝึกใจอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความขี้เกียจขี้ค้านเราสระดามันออกไปนะเป็นความกลัวความโลภความหลงอย่าให้มันมาค้องาใจนะ ให้เห็นว่าความโกรธความโลภความหลงกิเลสต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ถ้ามองดีๆนะมันเป็นเหมือนแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างนอกโยมมันเป็นแค่ของสมมุตินะมันเป็นเหมือนเครือผ้านะถ้าคนมีปัญญายจะเห็นกิเลสต่างๆมันเหมือนแค่ของข้างนอกมันเหมือนเครื้อผ้า มนมาใส่มัมาคุมช่วขณะเราถอดออกไดนะ้เหมือนกับร่างกายเนะี่ยกับเสื้อผ้ามันคนละอันกันนะร่างกายมันยังเอาหนังออกมันยังยากนะแต่เสื้อผ้าเนี่ยเอาออกง่ายนะถ้าดู ด, ดูดีๆนะโกรธก็แค่ชั่วคราวนะโรกก็ชั่วคราวหลงก็ชั่วคราว แต่มันไม่ชื่อขาวเพราะว่าพอมันโกรธปุ๊บเนี่ยเราค้ยึดมันไว้เลยเหมือนเสื่อผ้าเราใส่แล้วก็ใส่ไว้ตลอดเลยนอันนี้โดยสมมติเราก็ต้องใส่ผ้าแต่หนถึงว่าความโกรธพอมันครอบงําใจเรานี่ยเราก็เอามันไว้เราก็ยึดมันไว้นให้มองแบบนี้นะความโกรธกับใจคนละอันกันแต่ถ้าไม่รู้ทันนะก็จะบอกว่าเราโกรธ แต่ถ้ามีสติจะเห็นว่าใจมันโกรธใจมันโกรธมันเผลอไปโกรธเพราะว่าถูกความโกรธครอบงาแต่จริงถ้าจะถูกจริงๆคือความโกรธกับใจก็ไม่ใช่อันเดียวกันนะมันเป็นเพียงแค่อาการที่มันเกิดขึ้นกับใจนะมันเป็นสมมติอนโะยมเหมือนนำมาใส่จีวรบอกว่าเราเป็นพระมาถอดจีวรไปใส่เพื่อก็กลายเป็นโยมมันเป็นสมมตินะ โยมใส่ชุดอะไรเช่นใส่ชุดน่ะชาวนาเราเขาก็ว่าเราเป็นชาวนาใส่ชุดขับรถเขาก็าเราเป็นคนขับรถน่ะใส่สูตรเขาก็ว่าเราเป็นนักธุรกิจหรือเปล่านันะนะ่มันก็ไม่แน่นอนม่เป็นสมมติเฉยเฉยนะอาการทางใจงเป็นแบบนั้นให้เรามีสติเห็นนะให้เราฝึกนะฝึกสติฝึกความรู้สึกตัว สตคิความรู้สึกตัวมันจะทำให้เราเห็นตัวเราเองเห็นความโกรธที่มันเกิดขึ้นมาเห็นความโลภที่มันเกิดขึ้นมาเห็นความหลงเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเราเห็นเราจะไม่เป็นหลวพ่อของพ่อพระอาจารมาที่ผมพ่อคำเขียนท่านบอกว่า ถ้าเราเห็นงูเราจะไม่เหยียบงูอเห็นไหมถ้าเราเดินในปา่าเดินมืดๆนะถ้าเราเห็นงูมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละเดินไปให้งูเป็นเหยียบนะถ้าเห็นแล้วนะเห็นก็ต้องหยุดเห็นก็ต้องถอยเห็นไหมถ้าเราเห็นงูนะเราก็หยุดเราก็ถอยไม่ให้งูกัดได้นะถ้าเราเห็นกิเลสถ้าเราเห็นความทุกข์ถ้าเห็นจริงๆนะ ไม่ปล่อยให้มันมากัดไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจหลอกนะแต่หรืออีกอย่างหนึ่งเราเห็นนะแต่เราไม่มีกำลังนะมันก็เลย <c oughs> เห็นนิดหนึ่งแล้วก็ถดดัเข้าไปคล้าย <c oughs> ๆเหมือนกับเราเห็นรถมันปานหน้านะเบรคแต่มันไม่ทัน <c oughs> มันมันใกล้เกินไปมันกระชั้นเกินไปหรือบางอย่างก็เห็นนะ แต่พอจะเบรคปุ๊บนะเบรคเสียเบรคไม่อยู่ก็ไปนชนกันนะสติเนี่ยเหมือนเบรคนะเบรคชีวิตของเรานะเวลามันโกรธมันโลภมันหลงมันพุ่งขึ้นมามันเบรคได้นะรถที่มีแต่คันเร่งมีแต่เกียรนะ์เน่ะมันก็เดินไปข้างหน้าแต่ถ้าเราไม่มีสติเนะ่ะไม่มีเบรคอันตรายอันตรายนะนะนะก็ลอง ให้เราตั้งใจฝึกนะทุกอย่างนั่นแหละอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องการเสียสละอะไรที่เป็นทำเรื่องให้เรามีศีลอะไรที่เป็นเรื่องการฝึกจิตฝึกใจเนะี่ยรวมๆไปก็เรียกว่านะเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะปฏิบัติธรรมคือทำกายทาวาจาทำใจนกะให้เข้าถึงธรรมะนะก็ฝากไว้นะก็พูดไว้ คนได้ยินก็คงได้ยินคนนอนดับก็คงไม่ได้ยินนะ <c oughs> พูดไปนะก็ก็พูดไปให้เป็นประโยชน์นะแต่คนจะเอาไปทำนะเป็นประโยชน์กับตัวเราเนี่ยนะนะก็เป็นเรื่องของเรานะนะช่วยกันไม่ได้นะเหมือนอาหารนะนะแม่ครัวก็ทำให้โยมจะกินหรือเปล่ามนะันก็เรื่องของโยมนะ เราก็ทำให้นะแต่การกินการ พ, รพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นเรื่องของเรานะก็นะให้เราได้เตือนตัวเองนะถ้าเราเห็นว่าเรายังทุกข์ใจเรายังวั่นวาแต่ว่าใจเรายังไม่มั่นคงนะก็ให้เราฝึกไว้นะมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เรารักนะเป็นประโยชน์ต่อ ทั้งชาตินี้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชาติหน้าด้วยนะก็ปากไว้